น่าเกลียดน่าขยะแขยงทุกตนและชาวบ้านที่เคยโดนผีทหารฝรั่งในสุสานคริสหล อ, อกก็มีอาชีพปั่น3ล้อรับจ้างแกเล่าให้ฟังค่ะว่า